ที่นี่เราเน้นการปฏิบัติที่เรียกว่าเจริญสติเป็นความตั้งใจของวัป่าสุขโตนะเราก็ประกาศตัวเป็นสถาบันสติปัฏฐานเพื่อแสดงจุดมุ่งหมายหรือความตั้งใจที่จะช่วยกันสร้างสติให้เกิดขึ้น แก่ผู้ที่มาเย็ยนเยือนแล้วก็นักปฏิบัติทั้งหลายส่วนใหญ่คนทั่วไปก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องสติเท่าไหร่เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วหรือว่ามีกันอยู่แล้วคือถ้าไม่มีสติก็แปลว่าบ้ า, บา งันถ้ายังไม่บ้าก็แสดงว่ามีสติส่วนใหญ่ที่สนใจอาจจะได้แก่สมาธิหรือว่าปัญญาแต่ที่จริงสตินี่มีความสำคัญมากสตินี่ไม่ได้หมายความว่าไม่บ้ามันมีความหมายะละเอียดแล้วก็ลึกไปกว่านั้น ก็ให้เรามาทําความเข้าใจเรื่องสติกันสักหน่อยสติความหมายง่ายๆพื้นๆก็คือความระลึกได้เราเระลึกได้หรือจําได้เรื่องอะไรก็ตามอันนั้นแหละเป็นงานของสติจําวันเวลาที่นัดหมายได้จําได้ว่า นัดกันเวลานี้อันนั้นก็เป็นงานของสติจําได้ว่าเสียกรุงตั้งแต่เมื่อไหร่เราเสียกรุงกี่ครั้งจําได้ว่าวันไหนในหลวงจะมีอายุครบ0ปีอันนั้นก็สติสติคือความระลึกได้แต่ว่าอันนั้นยัง เป็นสติธรรมดาสิ่งที่เราต้องการฝึกก็คือสัมมาสติสติทั่วๆไปในความหมายที่แปลว่าร ะ, ะราลึกไดน้นี้โจรมันก็ไปใช้ได้เวลาจะไปป้นบ้านใครมันก็จำได้ว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาเมื่อไหร่หรือว่า เวลาจะทำงานก็จำได้ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเวลาจะเปิดเซฟก็จำได้ว่ามันใช้รหัสอะไรอันนั้นเป็นสติซึ่งอาจจะเป็นมิจฉาสติก็ได้หรือว่าการระลึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกโรธทำให้เราไม่พอใจ ใครเขาดา่าเราไว้จำได้เห็นหน้าเขาแล้วก็นึกเลยว่าเออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาพูดกับเราอย่างไรอันนี้ก็สตินะแต่ว่ามันเป็นมิจฉาสติไปแล้วเพราะว่าพอเราลึกขึ้นมาได้ก็ทำให้โกรธความโกรธนี่ก็เป็นอกุศลหรือว่าจำหนัง เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จำแล้วก็ใจก็ลอยเพลินไปเหมือนกับย้อนกลับไปดูหนังเรื่องนั้นใหม่เนี่ยกาลังนั่งทำวัดอยู่นั่งฟังอยู่แต่ใจมันเป็นนึกถึงจำได้ถึงเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยใจลอยไปอันนั้นมันเป็นมิจฉาสติล้คือมันทำให้เมื่อระลึกได้แล้วทำให้จิตเป็นอกุศล สิ่งที่เราต้องการก็คือการสร้างหรือว่าบ่มเพาะสัมมาสติให้เกิดขึ้นสัมมาสติก็มีความหมายหลายอย่างเริ่มตั้งแต่การระลึกนึกถึงแล้วเกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาหรือเกิดความไม่ประมาทขึ้นใช่ระลึกนึกถึงคนที่เขากินเหล้าเมายาแล้วเขาเกิดอุปติเหตุเราก็เกิด เป็นบทเรียนขึ้นมาว่านี่อกกินเล่ามันไม่ดีเล่นหวยมันไม่ดีนะหรือแล้ลึกถึงความตายของคนที่เรารักหรือคนที่เราคุ้นเคยแล้วเกิดระลึกเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเราต้องขวนขวายทำความดีหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับความตายที่จะเกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นกุศลธรรมนะเพราะว่ามันเป็นความไม่ประมาทเราเริ่นนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาความเรื่นนึกถึงนั่นก็เรียกว่าเป็นสมาสติอย่างเราเริ่นนึกถึงความตายเราก็เรียกมรณสติมรณสตินี่ก็ถือว่าเป็นสมาสติอย่างหนึ่งแต่ว่า สมัมมาสติที่อยากจะเน้นกันก็คือการไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่ไม่ถือตัวหรือว่าไม่ลืมไม่ลืมกาพื้นลังเงาของตัวอันนั่นก็ความหมายหนึ่งอย่างคนที่เป็น ลูกชาวบ้านเสร็จแล้วต่อมาได้กลายเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เลยไปดูถูกชาวบ้านไปดูถูกชาวไร่าชาวนาซึ่งเคยเป็นอาชีพของตัวเป็นอาชีพของพ่อแม่อันนี้เรียกว่าลืมตัวลืมตัวลืมรากเงาลืมํำพืชแต่ว่าคำว่าไม่ลืมตัวในที่นี้นี่เรามีความหมายที่ละเอียดกว่านั้นหมายความว่า เราทำอะไรอยู่กาลังทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมในกิจที่ทำอย่างเช่นกาลังนั่งฟังเทศอยู่หรือว่านั่งทาวัดอยู่พอใจมันลอยไปใจลอยไปที่บ้านบ้างหรือว่าลอยไปที่ครัวบ้าง เราลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังอยู่ที่ศาลากำลังฟังธรรมกำลังทำวัดอยู่ให้ความระลึกได้ตรงนี้เนี่ยทำให้เราดึงกลับมาสู่ปัจจุบันไม่ลืมตัวไม่ลืมไปในอารมณ์ปรุงแต่งไม่หลงเข้าไปในความคิดซุ้งซ่านไม่เผลอไปสู่อดีตหรือว่าไม่จงอยู่ในอนาคต กลับมาสู่ปัจจุบันความเราลึกได้อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าสัมมาสติโดยพอเวลาจมเข้าไปในอารมณนะ์เผลอก็ไปในอารมณ์โกรธก็ดีโมโหก็ดีทุกข์ก็ดีท้อแท้ก็ดีแล้วเราลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังจมอยู่ในอารมณ์ เมื่อเราลึกขึ้นมาได้สลัดจิตออกจากอารมณ์นั้นหรือผู้อิยา น, นั่คือว่าปล่อยอารมณ์นั้นให้หลุดร่วงออกไปจากจิตอันนั้นแหละเป็นสัมมาสติพอนำไปสู่จิตที่เป็นปกติสัมมาสตินี่สำคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกเพราะไม่รู้จักหรือว่าไม่มีสัมมาสติที่ มีกำลังเรามีแต่สติธรรมดาแต่สัมมาสติของเรามันไม่มีกำลังหรือสติของเรายังไม่ได้พัฒนาไปกลายไปเป็นสัมมาสติหรือมหาสติลองดูเถอะที่เราทุกๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราลืมตัวเราปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงามจิตใจแล้วเราก็จมไปกับอารมณ์นั้นลืมตัว พอเรารู้ตัวขึ้นมาพอเราระลึกได้ขึ้นมาว่าเผลอเข้าไปในอารมณ์นั้นและเรากลับมาสู่ปัจจุบันขณะความเป็นปกติเกิดขึ้นมาเวลาเราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นมาทำให้ทุกข์นะแต่เป็นเพราะใจเราเผลอ หรือพูดอย่างนี้คือเราลืมตัวเราต้องพัฒนาหรือว่าเพิ่มความระลึกระลึกได้ให้มันไวให้มันรวดเร็วจนกระทั่งละเอียดถี่ยิบขณะที่กำลังนั่งฟังนี้พอใจแว บ, บไปอดีตบ้างอนาคตบ้างระลึกได้ขึ้นมา ระลึกได้ทั้งสองแง่คือาราลึกได้ว่าว่ากําลังทําอะไรอยู่ดึงจิตกลับมาสู่ปัจจุบันหรือระลึกได้ว่าโอ้นี้กําลังเผลออยู่ที่จริงตรงนี้เราเรียกว่ารู้ตัวมันมีอีกตัวหนึ่งคือสัมปชัญญะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันความลึกได้อย่างนี้แหละที่เราต้องการพัฒนาให้มากขึ้น เพราะว่าเวลาตากระทบรูปหูได้ยินเสียงมันเกิดความรู้สึกสุขทุกข์แล้วปรุงแต่งต่อไปเป็นความอยากอยากได้อยากยึดหรือว่าอยากผลักไสปรุงแต่งต่อไปเป็นตัญหาอุปาทานให้ตรงนี้แหละเพราะว่ามันมันลืมตัวมันลืมตัว ก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเลยเพราะอารมณ์ฝ่ายอากุศลเมื่อเราเระลึกได้ขึ้นมาให้ความยึดในอารมณ์นั้นมันก็จางคลายไปหรือเรียกว่าหลุดจากอารมณ์นั้นที่เราโกรธที่เราโมโหที่เราทุกข์ที่เราทอร้อแท้นี่เป็นเพราะว่าสัมมาสติของเราอ่อนทั้งนั้นแหละ นั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์ไม่อยากเป็นเป็นท่าของอารมณ์เรานั้นต้องจเจริญสติที่เรียกว่าสัมมาสติหรือว่าสติปัฏฐานให้มากขึ้นจนกระทั่งพอใจเผลอแว บ, บไปแล้วลึกได้ขึ้นมาและเมื่อเราเลิ่ได้กลับมาสู่ปัจจุบันความรู้ตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้น พเราเผลอเมื่อไหร่ลืมตัวเมื่อไหร่ไอความรู้ตัวก็หมดไปด้วยเราเรียกว่าความหลงนะสะตนะิคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงนะที่เราเรียกกันรวมๆกันว่าหลงลืมหลงลงืมหลงก็คือว่ามันไม่รู้ว่าไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อันนี้เพราะมันลืมตัวมันเผลอก็ไปในอารมณ์ กำลังล้างจานอยู่นะถ้ามีสติผู้อยู่กับการล้างจานใจอยู่กับการล้างจานความรู้ตัวเกิดขึ้นว่ารู้ว่ า, าทำอะไรอยู่รู้ว่าจะวางช้อนวางจานวางชามไว้ที่ไหนแต่พอไม่มีสติใจลอยก็วางจานชามไม่เป็นที่หรือกาลังสวดมนต์อยู่ พอใจลอยไม่มีสติสติไม่มีกำลังที่จะระลึกได้ให้ไวครั้นี้ก็สวดไม่ถูกแล้วแทนที่จะสวดทามังก็สังคังไปใชอันนี้เราเรียกว่ามันหลงแล้วละ่ะลองสังเกตดูเวลาสวดมนีหลงไปอีกครั้งอันนั้นเพราะว่ามันไม่มีความรู้ตัวที่เรียกาสัมปชัญญะและที่ไม่มีสัมปชัญญะก็เพราะว่า ใจมันลอยและสติไม่สามารถเรียกจิตกลับมาสู่ปัจจุบันได้อันนี้เพราะสัมมาสติมันอ่อนก็ทำให้หลงทำให้ทำอะไรผิดพลาดพลาดหรือว่าถูกครึ่งเดียวรู้ไม่ครบถ้วนอย่างที่อาจารย์พุท ธ, ธานเล่าแม่ลูกอ่อนเสือไปปล่อยให้เด็กไปกลืนเหรียญสตังแดง สมัยก่อนนี่เหรียญสตังแดงมันทำด้วยทองแดงแค่หนึ่งสตังเด็กกลืนเข้าไปแม่รู้ก็ตกใจตกใจก็ตื่นตหนกทำอะไรไม่ถูกเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้น้ำกรดนี่มันกัดทองแดงได้นะด้วยความอยากจะช่วยลูกก็ไปเอาน้ำกรดมาใส่ปากเด็ก น้ำเกลือก็กัดทองแดงหลุดไปจากคอได้จริงๆนะแต่ว่าเด็กก็รอแลกตามไปด้วยอันนี้เรียกว่าไม่มีทั้งสติแล้วก็ไม่มีทั้งสปะชัญญะคือพอตกใจนี่นะลืมตัวตกใจก็ลืมตัวสติมาไม่ทันที่จะทำให้ะระลึได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง แล้วพอลืมตัวแล้วมันก็รู้แบบถูกๆกผิดผิดรู้อย่างไม่ครบถ้วนอ๋อแล้วรู้ได้ว่าโอ้น้ำกรดมันกัดทองแดงนะแต่ไม่ได้มอง ม, องมองไม่เห็นไม่ได้รู้อย่างถี่ถ้วนว่ามันกรอกใส่ปางเด็กไม่ได้นะเพราะว่ามันกัดทองแดงหลุดก็จริงแต่ว่ามันไปทำลายคอหรือว่าอวัยวะของเด็กด้วย เนี่ยมันรู้ไม่ครบถ้วนเพราะว่ามันมันหลงไม่มีสัพปปชัญญะคือความรู้ตัวพอไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะทำอะไรมันก็ทําได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่ว่าเราก็พูดรวมๆกันเน่ยนะไอ้ความแล้กได้ความรู้ตัวเนี่ยก็รวมๆวม่าสติก็แล้วกันที่นี้เราก็เรียก็เลยใช้คําว่าสติเฉยๆไม่ต้องแยกแยะจําแนกออกมาว่าอันนี้สตินิสัพชัญญะมันจะงง ม, มันจะสับสน เอาแค่ว่าระลึกได้ก็ดีระลึกได้อย่างฉับไวนะการละ ว, ว่ากาลังฟุ้งซ่านกาลังปรุงแต่งกาลังลึกเข้าไปในอารมณ์หรือว่ารู้ตัวรู้ตัวว่ากาลังทำอะไรอยู่ดึงจิตมาสู่ปัจจุบันอันนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการฝึกนะสัมมาสติเราก็เริ่มต้น ด้วยการสร้างอิเลียบทขึ้นมาเพื่อเป็นการฝึกสติอิเลียบก็อิเลียบทง่ายๆเดินจงกรมเคลื่อนไหวมือไปมาที่เรียกว่าสร้างจังหวะหรือว่าจะซอยย่อยออกมาหรือปรับปรุงประยุกต์ให้ยักเยื่องออกไปเช่นครึงนิ้วกระดิกนิ้ว เอามือขึ้นเอามือลงวางมือไปมาก็ได้ทั้งนั้นแต่อิเรียบนหลักก็คือสองอย่างสร้างจังหวะกับการเดินตรงกลมเพื่ออะไรเพื่อฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือเดินตรงกลมสร้างจังหวะเอากายเป็นฐานเวลาเดินก็ให้จิตอยู่กับการเดินให้รู้ตัว ว่ากำลังเดินกำลังเคลื่อนไหวมือไปมารู้นี่รู้โดยไม่ต้องคิดนะไม่ใช่คิดหรือบริกรรมว่าฉันกำลังเคลื่อนไหวมือไปมาฉันกำลังเดินไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับวางความคิดลงซะมีแต่ความรู้สึกคือรู้สึกตัวหรือรู้ตัวรู้สึกตัวว่ากำลังเคลื่อนไหวมือไปมา รู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่กาลังสร้างจังหวะอยู่แต่พอจิตมันเผลอไปความรู้สึกตัวก็หมดไปหรือรู้สึกตัวแต่ลางๆมันเหมือนกับมันเหมือนกับสลืมสลือคือไม่ชัดอันนั้นแหละนะคือสภาวะที่เราต้องหลุดออกมาเพราะว่ามันไม่รู้ตัวแล้วมันลืมแล้วมันหลงไปแล้ว รู้เมื่อไหร่ระ ล, ลึกได้เมื่อไหร่ดึงจิตกลับมามันจะไปแค่ไหนจะลืมตัวแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้อยู่เรื่อยๆใหม่ๆมันก็ไปไกลนะกว่าจะรู้ตัวกว่าจะระลึกได้แต่ว่าพอทำไปทำไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็จะรู้ตัวระ ล, ลึกได้ไวขึ้นเรื่อยๆ จิตสามารถที่จะหลุดจากอารมณ์หรือความคิดฟุ้งซ่านได้ไวขึ้นอันนั่นแหละคืองานของสัมมาสติการปฏิบัติเราไม่ได้เน้นเอาความนิ่งเอาความสงบแต่เราเน้นความรู้ตัวและความรลึกได้ที่รวดเร็วฉับไว ฟุ้งซ่านยังไงไม่เป็นไรแต่ขอยระลึกได้ไวๆแต่ก็อย่าไปอยากให้มันไวนะเพราะว่าจิตนี่มันไม่ได้อยู่ที่การควบคุมของเรามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวเราที่จะสั่งได้แต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกฝนหรือว่ากล่อมเกลา ให้พัฒนาได้เหมือนกับเราเลี้ยงลูกหมาเราไม่สามารถจะสั่งลูกหมาให้ทำตามใจเราได้แต่เราสามารถจะฝึกฝนได้ฝึกฝนให้เชื่องลูกหมาชอบวิ่งออกไปนอกบ้านซนกาลังซนเราก็เรียกกลับมาเรียกชื่อใม่หม่ๆก็ไม่ยอมใช้เวลานานต้องเรียกนานกว่าจะกลับ แต่พอเราเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆหมามันก็ระลึกได้ระลึกได้ว่าจะต้องทํำยังไงแต่ก่อนอยากเที่ยมก็เลยลืมตัวไปออกไปข้างนอกพอเราเรียกมันมันระลึกได้ขึ้นมามันรู้ตัวขึ้นมาก็กลับทีแรกก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ต่อมาก็ใช้เวลาเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งพอมันเชื่ อ, องนี่ เพียงแค่เผลอก้าวเท้าออกไปนอกบ้านไม่กี่ก้าวมันก็จําได้โดยที่เราไม่ต้องเรียดมันจําได้เองมันก็อยู่ในบ้านโดยไม่ต้องมัดเลยไม่ต้องจับใส่กรงนการปฏิบัติก็แบบนี้เหมือนกันเราก็เดินเจริญสติแล้วก็เดินจงกลมสร้างจังหวะไปมันเผลอเมื่อไหร่ก็ตึงกลับมาโดยสตินี่ยเป็นตัวตึง ไม่ต้องไปห้ามคิดต้องไม่ต้องไ ป, งไปกดความคิดเอาไว้พอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาไปกดมันอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกแต่ว่านักปฏิบัติก็มักจะเผลอเพราะความอยากเพราะความอยากอยากจะมีสติไว้ก็เลยพอมันคิดขึ้นมาได้ก็ห้ามมันทันทีอันนี้ไม่ใช่สติไม่ใช่วิธีการเจริญสติเพราะมันทำด้วยความอยากมันมีตัณหาหรือกิเลสแฝงอยู่ ถ้ามันเป็นความเพียรมันก็เป็นมิจฉาวยัมะไม่ใช่สัมมาวยิมะสัมมาวยิมาะคือความเพียร ช, ชอบความเพียรชอบคือความเพียรที่ไม่ได้ทำด้วยกิเลสนะแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราขยันเดินก็จริงแต่ทำด้วยกิเลสอยากได้อยากมีอยากเอาอยากชนะอยากให้มีสติไวๆมันคิดปุ๊บเบรกปับ๊บนะ วิธีนี้นอกจากสัมมาสติจะไม่เจริญเพราะมันไม่ใช่เกิดจากสัมมาว า, ามะแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราทุกข์ด้วยเพราะว่าทำแล้วเครียดเพราะว่าเบรกความคิดยังไงก็ตามมันก็ยังเผลอคิดอยู่ยิ่งไม่อยากคิดมันยิ่งคิดลองสังเกตนะเวลายิ่งไม่อยากจะคิดมันยิ่งคิดเข้าไปใหญ่ เวลาโกรธขึ้นมาอยากจะไม่อยากจะให้มันหายโกรธไวๆมันหายไปก็จริงแต่มันไม่ได้หายไปนันหรอกมันหลบในเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอีกแล้วเรื่องของการเจริญสตินี่มันต้องใช้ความนุ่มนวลจะไปห้ามมันไม่ได้เหมือนกับหมาเนี่ยยิ่งบุกยิ่งมัดมันเอาไว้มันยิ่งหทดหัดมันยิ่งพยศและพอ พอเราเผิ่มแล้วมันก็ลุดองไปกันละการเจอสติต้องอาศัยความนุ่มนวลนะแล้วก็ความอดทนแต่อดทนนี่ไม่ต้องไม่ต้อ ง, องทำด้วยความหน้าดำคํำเครียดทํทำด้วยใจที่สบายมันจะฟุ้งก็อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหตัวเอง ให้พูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะบางคนเนื่องจากทําด้วยความอยากเวลามันฟุ้งไปทีแรกก็ไม่เป็นไรพอฟุง้งครั้งที่สองครั้งที่สก็เริ่มห ง, งุดหงิดเริ่มโมโ oh หตัวเองไอ้การที่โมโ oh หตัวเนี้ก็คือไม่มีสติแล้วล่ะเพราะมันโดนความหงุดหงิดครอบงํามันไม่มีสติสองซ้อนเลยนะซ้อนแรกก็คือว่าเผลอไปเผลอคิด ตอนที่สองคือเผลอโกรธระวังให้ดีนะเผลอคิดยังไม่เป็นไรแต่เผลอโกรกเข้าไปนี่ขาดทุนเลยให้มันเผลอคิดอย่างเดียวยไปเผลอโกรกจะไปเผลอมุดงิดพอเราดึงจิตกลับมาสู่ความปกติสู่ปัจจุบันเราจะได้พบกับความปกติเมื่อจิตกลับสู่ปัจจุบันเมื่อไหร่จิตมันจะเป็นปกติ และถ้าเราสัมผัสกับความปกตินี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันจะจําได้เวลาจิตยินดีก็ตามยินไล่ก็ตามอันนี้คือไม่ปกติจิตยินดียินไล่มันเสียปกติไปเสียสมดุลไปจิตรู้ทันทีนะมันจะไวเข้ามันจะรลึกได้ว่านี่ไม่ใช่ความปกตินี่เวลาเราดีใจเราเผลอดีใจแต่ก่อนไม่รู้ตัว เผลอไปให้ยินดีหรือดีใจนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะตามหลักการปฏิบัติเพราะถ้าว่าเราดีใจง่ายแค่ไหนมันก็ทุกข์ง่ายแค่นั้นโอ้ล้อเสียงดังแค่ไหนร้องไห้ก็ดังแค่นั้นมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการเจริญสตินี้ไม่ใช่ว่ายินลายไม่เอายินดีก็ไม่เอาด้วยเนะพราะมันคู่กันดีใจง่ายก็เสียใจง่าย หัวเลาะง่ายก็ร้องไห้ง่ายล อ, ลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นใครไม่อยากจะทุกข์ง่ายไม่อยากจะไม่อยากจะร้องไห้ง่ายก็อย่าไปดีใจง่ายอย่าไปหัวเราะง่ายก็คือไม่ไม่ยินดียินร้ายง่ายเกินไปหรือไม่เผลอเข้าไปยินดียินไล่เอากันถึงท่านนี้เลยแไม่ใช่ไปห้ามมันนะเราไม่ได้ใช้วิธีการห้ามหรือไม่ใช่วิธีการบังคับจิต เพียงแต่รู้มันเฉยๆรู้ว่าอ้อนียินดีแล้วนะรู้ว่าอ้อนียินไลายแล้วนะรู้ว่านี่โกรธแล้วนะรู้ว่านี่งุนหงิดแล้วนะไอ้ความรู้นี่แหละที่มันจะทำให้จิตหลุดจากอารมณ์นั้นได้หรือว่าจิตคลายจากอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมันหลุดมันล่วงไปจากจิตความรู้นี่มันทำให้ละทันได้ทันทีมันเป็นอัตโนมัติ เมือกัเอาไฟฉายส่องเข้าไปความมืดก็หายไปทันทีไม่ต้องไปขับไล่ความมืดแสงสว่างมันไล่ความมืดไปเองสติความรู้ตัวความลึกได้เมื่อไปเห็นความคิดฟุง้งซ่านเมื่อไปเห็นความโกรธมันก็เพ่นนี้ไปเองเราไม่ต้องไปทําอะไรกับไอ้ความคิดฟุง้งซ่านไม่ต้องไปทําไรอะไ ร, ระกับอารมณ์รล่านั้นมันเป็นงานของสติเราไม่ต้องทําอะไรเมื่อความมืด เมื่อเจอแสงแสงสว่างหรือแสงไฟฉายแสงสว่างก็จะไล่ความมืดไปเองเราไม่ต้องไปทำอะไรกับความมืด อ, อันนี้ถ้าเราใช้ความรู้ตัวอยู่อ บ, บอ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆรือรู้ตัวอยู่อ บ, บ่อยๆเนี่ยอาการเหล่านี้ความเผลอความความหลงมันก็จะหายไปความปกติก็จะเกิดขึ้นและจิตเมื่อเมื่อสติระลึก คุ้นกับความปกติอยู่บ่อยๆจิตเมื่อคุ้นกับความปกติอยู่บ่อยๆก็จะระลึกได้ให้ความระลึกได้ในความปกตินี่แหละที่มาช่วยทําให้เราสลัดอารมณ์ได้ไวขึ้นไวขึ้นเพราะเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ความปกติอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสัมมาสติเหมือนกันคือเรื่องความระลึกได้ความระลึกได้ความรู้ตัวที่มาทํางานคู่กันแต่ว่าอย่าเพิ่งไปแยกแยะว่าอันนี้ความระลึกได้นี่ความรู้ตัวนะเสียเวลา ขอให้เพียงแต่ว่าเมื่อฟุ้งซ่านเมื่อหลุดเข้าไปในอารมณ์เราจะไปห้ามมันแต่ขอให้รู้แต่ถ้าไม่มีความฟุ้งซ่านไม่ยุ่ไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งก็อยู่กับการเดินจิตก็อยู่กับการเดินคืออยู่กับกายจิตก็มีส ต, ติตามรู้กับกายรู้ความรู้สึกทางกายเมื่อฟุ้งมาไหนรู้เอากายเป็นฐานนะ รู้กายก่อนเอารู้กายเป็นเบื้องต้นแล้วรู้ใจมันก็ตามมาจะไปข้ามขั้นรู้กายแล้วเมื่อรู้ใจก็ความปกติก็กลับมาก็กลับมารู้กายใหม่อันนี้ก็พูดเอาไว้ให้เป็นเป็นแนวเบื้องต้นสำหรับผู้ใหม่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คงจะประจักษ์ได้อยู่แล้ว